เรื่องยิงแพทย์สยาหนึ่งเรื่อง81สมัยนั้นในกรุงเวสาลีเจ้าชายฤาษีทั้งหลายจับภิกษุให้เสพเมทุนธรรมกับยิงแพทย์สยาภิกษุยินดีพึงให้ศึกเสียถ้าไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่74